พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการทำดีมันได้ดีพราะพทธเจ้าทรงตรัสไว้คำนี้อย่าว่าเป็นคำที่ไม่สำคัญให้พึงพากันวินิจฉัยให้ดี เพราะความดีกับความชั่วมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกันเมื่อทำความดีให้มากไว้ความชั่วมันก็ไม่มีกำลังที่จะมาครอบความจิตใจได้การทำความดีก็คือการฝึ ก, กจิตให้เข้มแข็งในการทำความดี เพราะว่าท้งกายท้งวาจาทั้งใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้บังคับบัญชากายและวาจาดังนั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นต่อความดีมันจะบังคับกายวาจาให้ทำดีพูดดีไม่ได้ เมื่อใจมันชอบความดีมันตั้งมั่นอยู่ในสุจริตรธรรมมันชอบความบริสุทธิ์นั่นแหละมันดึงใช้กายวาจาธรรมพูดไปในทางที่ดีการทำดีมันก็เหมือนอย่างที่บุคคล ฟอกผ้าด้วยสบู่หรือด้วยผงซักฟอกต้องเลยอาศัยการขยี้ผ้าให้มันนานสักหน่อยถึงแม้จะเอาผงไปแช่แล้วก็ตามก็ยังได้ขยี้ใส่น้ำไปมาหลายครั้งกลัวว่าชิ่งถุกปรที่ ติดอยู่กับผ้านั้นมันจะออกไปจะทําให้ผ้ามันขาวสะอาดได้มันก็ต้องลงมือทําอย่างนั้นอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นเลยการฝึกฝนจิตนี่เราจะไปทํานิดหน่อยๆแล้วให้มันขาวสะอาดให้จิตใจในิบริสุทธนะิ์นี่ยมันไม่ไม่ได้ ทำน้อยมันก็ดีตามน้อยนัย่นแหละทำมากก็ดีตามมาก ม, มันทีความดีนี่เมื่อมันมีกำลังน้อยมันก็ทำให้มีความสุขแต่น้อยเดียวคันแล้วความดีนั้นหมดไปแล้วความสุขมันก็หมดไปตามกันมันเป็นอย่างนี้ชีวิตจิตใจของคนเราเนี่ย พิจารณาดูให้ดีคนทั้งหลายมันก็ไปเห็นแต่ว่าเมื่อมีเงินมากๆนั่นแหละก็จะมีความสุขแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจิตตังดันตังสุขาวหัง จิตที่ฝึกขนดีแล้วนำสุขมาให้นางนี้นั่นจะว่ามันตรงกันกับความเห็นของทางโลกเขาแต่เมื่อมาวินิจฉัยดูแล้วเขาพุทธภาษตนี่ถูกต้องอเพราะว่าเงินทองเข้าของมันจะได้มาก็เพราะจิตตรงนี้แหละมันฉลาดหาเพราะฝึกขนจิตตรงนี้ เริ่มแต่การศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆนู่นมาแล้วก็ไม่ใช่แต่ศึกษาท่องจำเฉยๆอย่างลงมือปฏิบัติฝึกไปในตัวอีกด้วยเขาเรียกว่าวิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติการ นวิชาการได้แก่การเรียนการท่องจำเอาให้ได้ปฏิบัติการได้แก่ลงมือทาฝึกไปตามที่เรียนรู้มานั้นให้มันํำนิชํำนานบางคนเรียนรู้จำได้แล้วไม่ได้ฝึกขนเวลาอยู่กับ การสํานักการศึกษาเราเรียนเช่นนี้พอเรียนจบมาแล้วแม้จะเรียนซ่อมเครื่องยนต์อย่างนี้นะเมื่อเครื่องยนต์เสียก็ซ่อมไม่เป็นบางอย่างก็แก้ให้ไม่ตกเลยก็ไม่ได้ฝึกกับครูกับอาจารย์มาอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละในทางธรรม มันมีหลักวิชาที่เราจะต้องปฏิบัติตามซึ่งพระพุเทธเจ้าแสดงไว้นักปราชญกจีอาจารย์สมัยปัจจุบันคัดเลือกรวบรวมเอามาไว้เพราะท่านรู้ว่าต่อไปเบื้องหน้าความจำของคุณละบุตรจะมีน้อยลงถ้าไม่รวบรวมไม่กลั่นกรองเอา คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นทางรวบรัด ต, ตัดตอนไปนี่มาพิมพ์ไว้คุณละมุดก็จะไม่รู้ในทางปฏิบัติเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นมันมีมากปั่นเผือกันดังนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากมพระยาวชิ ร, วรยานณวโรรส ท่านเป็นนักปร า, ารถนาด้วยทางปฏิบัติด้วยท่านจึงได้รวบรวมแปลจากบาลีมาเป็นภาษาไทยที่เรียกว่านมโกวานะต์นแปลว่าโอวาทสอนภิสุกู้บทไม่น ะ, ะนะรวบรวมเอาหัวข้อธรรมะอันเป็นในทางปฏิบัติมาพิมพ์เป็นเล่มไว้ จึงได้หามาแจกกันดูกันอ่านท่องจำเรียนเอาให้ได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปตามนั้นเมื่อได้ฝึกหัดลงมือปฏิบัติไปมันก็ชำนิชำนานไปโดยอาศัยมีครูบาอาจารย์แนะนำไปพร้อม อืมชี้แจงเหตุผลในธรรมะแต่ละอย่างหรือวินัยแต่ละข้ออย่างนี้เมื่อได้เรียนหลักวิชานั้นมาแล้วท่านอธิบายให้ฟังอะไรมันก็เข้าใจง่ายได้ผู้ใดไม่เรียนหลักวิชามาเนี้ท่านอย่าอธิบายฟังอะไรก็ยากที่มันจะเข้าใจมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเพราะฉะนั้น่ะ จึงสมควรเรียนท่องจำเอาหลักธรรมะหลักวินัยให้มันได้แม้ว่าผู้บวกเข้ามาจะอยู่ไม่นานก็ตามก็ต้องเรียนให้รู้ไว้เช่นเรียนท่องจำเอาคำไหว้พระสวดมนต์ คำถวายทานต่างๆหมู่นี้นะเมื่ออยู่ไม่ได้ฝึกออกไปมันก็จะได้เป็นอุบาสกแล้วก็จะได้นำหมู่ผู้ที่ไม่ได้เรียนได้จำและผู้ที่ไม่ได้บวชนี่ก็นำหมู่คณะทำบุญทำทานกล่าวทำคำถวายทาน นำมูไหวพระสวดมนต์อย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลทั้งแก่ตนและผู้อื่นเป็นการอบรมสันดานให้ดีขึ้นนี่นะการที่บุคคลเราจะหลุดพ้นจากทุกข์ภายในสงสารนี้ไปได้ ก็เพราะมีความรู้ในธรรมในวินัยคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละถ้าไม่มีความรู้อย่างว่าเนี่ยมันจะไปเอาตัวรอดไม่ได้เลยมันจะทำจะพูดไปในทางที่ผิดสินผิดธรรมเข้าไปแล้วก็เป็นบาปอาคุสลบาปอาคุสน์นะมังกะนำบุคคลนั้นไปสู่ทุกข ในโลกหน้าต่อไปมันเป็นอย่างนี้นะชีวิตของคนเราให้เข้าใจเนื่องจากว่าลำพังแต่สติปัญญาของเรานะ่ะเราไม่สามารถจะรู้บาปผุนคุณโทษได้โดยแจมแจ้งอันเราจะรู้ได้นี่เพราะได้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้รู้รึกซึ่งลงไปก็เพราะได้เรียนได้ท่องจำเอาหลักธรรมคำสอนอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นนะมาเก็บไว้ในจิตใจของตนเองเชนี้มาเทียบดูกับความประพฤติทางกายวาจาของตนว่ามันตรงตามคำสอนที่ตนเรียนมาหรือไม่นี่ นั่นแหละเราน้อมเอาคำสอนมาไว้ในใจเป็นตำราอยู่ในใจพี่เมื่อเรามาเทียบดูก็รู้ได้ว่าความประพฤติมันกลงทำกลงวินัยหรือไม่ตรงมันก็รู้ได้เพราะว่าตนได้จำหลักวิชาไว้ในใจแล้วว่าทำอย่างนั้นมันผิดทำอย่างนี้มันถูกมันอยู่ในใจแล้ว เพราะฉะนั้นนะ่ะความประพฤติมันถึงไม่เลวไหลวะนีะ่มันก็สม่ำเสมอไปเรียกว่าผู้นั้นทําความดีสม่ำเสมอไปได้เพราะมีความรู้อยู่ในใจมันรู้อันทําอย่างนี้พูดอย่างนี้มันผิดอย่างนี้นะมันรู้อยู่ในใจแล้วมันก็ไม่ใช้กายทําไม่ใช้วาจาพูด ไปในทางที่ผิดนั้นเมื่อมันรู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ผิดตรงตามคำสอนที่ทรงอนุญาตเจนนี้มันก็ทำไปพูดไปก็ไม่ผิดแล้ววนีมเมื่อตนทำถูกพูดถูกไปเรื่อยๆใจก็สบายเพราะการทำถูกพูดถูกมันทำให้ ใจเย็นสบายมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นถ้าว่าทำผิดพูดผิดไปแล้วมันเกิดอกุศลขึ้นในจิตอกุศลมันก็ทำให้จิตเดือดร้อนเศ้าหมองขุนมัวหาความสบายไม่ได้เลยเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ว่าทำชั่วได้ชั่วแล้วนะคือว่าไม่ไม่ได้หมายเอาภายนอก เนะยไมเอาภายในนี่เพราะบางคนทำชั่วแล้วมันไม่ให้ผลภายนอกก็มีแต่ว่าภายในใจนั้นแน่นอน ใ, นใจผู้ทำชั่วนั้นย่อมเศราหมองขุนมัวเร่าร้อนไม่เบิกบานอันนี้เป็นลักษณะแห่งกรรมอันชั่วที่มันเกิดขึ้นใน ใ, นใจ แค่อย่างบุคคลผู้มีความโลภจัดอยู่ในใจอย่างนี้นะไปเห็นสมบัติผู้อื่นมากๆเขาอยากได้คิดวิตกวิจารณ์ทำยังไงจะได้คิดเท่าไรจิตใจเล่าร้อนแต่เท่านั้นเพราะว่าบุญตัวน้อยนะคิดยังไงมันก็ไม่ได้มากอย่างเขาถ้าจะคิดไปเบียดเบียนเขาก็ยิ่งเป็นทุกข์ร้าย กลัวว่าเจ้าหน้าที่เขาจะจับใจพองรองแล้วติดคุกติดตารางนั้วก็ยิ่งเดือดร้อนใจมันเป็นอย่างนี้ล่ะการที่บุคคลปล่อยให้จิตใจตกไปในทางบาปอากุศลมันก็เร่าร้อนเมื่อมันเร่าร้อน ม, นมันมัวหมองอยู่ในปัจจุบันชาตินี้แล้ว ไม่เพียนชาละให้มันผ่องใสสะอาดเองเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็มีแต่ทุกข์มแหละติดตามไปวันนี้มันมันทาใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันมีบาปอากุศสครอบงำอยู่นี่แล้วมันจะเอาความสุขมาได้ไนก็มีแต่ความทุก ข, กข์มันติดตามไป ไปเกิดที่ไหนก็เป็นทุกข์อยู่ในที่นั่นโครงกันข้ามกับบุคคลผู้ไม่ละความเพียรแม้จะเป็นนักบวชก็ดีเป็นครึงหัดก็ดีผู้ใดรู้อย่างว่านี้แล้วก็พยายามรักษาจิตใจอตนให้สะอาดไม่ให้มันคิดไปทางบาปอาุศลน ให้มันตั้งมั่นยินดีอยู่ในกองการกุศลความดีที่ตนใช้กายทมใช้วาจาพูดเสมอไปอย่างนี้นะเมื่อใจมันยินดีในบุญกุศลแล้วมันก็เบื่อบาปมันก็ละบาปไปบุญกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ขจัดบาปอากุศลนึกกิเลตสต่างๆอันครอบงมจิตใจ ออกไปใจก็ผ่องใสสะอาดอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั้นเนี่ยเราจะไปเอาเวทมนคนคาถาที่ไหนจะไปสะดะกเพาะไปปลูกดวงอะไรจะไปบนบานม่วงสวงเทวาอารักษ์อะไรให้มาช่วยขจัด ความเศร้าหมองแห่งคิดใจอันนี้ออกไปให้ใจผ่องใสบริสุทธิ์เช่นนี้นะมันไม่มีไม่มีในโลกนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนไว้เลยแล้วโดยเหตุผลแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมาดังกล่าวมาหมู่นั้นนะไม่สามารถที่จะมาช่วยขจัดกิเลสป่าปธรรมออกจากหัวใจของคนได้ แม้พวกเหล่านั้นก็ยังมีกิเลสอยู่เหมือนกันก็ ย, ยังกจาจัดกิเลสออกจากหัวใจไม่หมดเป็นได้เพียงว่ามีบุญบางส่วนเท่านั้นแหละนำไปอำนวยผลให้มีความสุขความเจริญอยู่ได้แต่ส่วนกิเลสนั้นมันก็ติดตามไปอยู่อย่างนั้นแหละจะเป็นเทวดากิเลสบางอย่างมันก็ตามไปอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วกิเลสมันจะหมด ไปสิ้นไปไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มีอยู่เป็นสวรรค์หกชั้นอย่างนี้นะมันก็มีการมาคุณอยู่แต่ ว, ว่าการมคุณของเทวดามันทักละเอียดขึ้นไปกัวกันเมื่อเทวดาชั้นสูงขึ้นไปเท่าไดร ความยินดีนดในกามมันก็ละเอียดเข้าไปน้อยเข้าไปโดยลำดับไปท่านกล่าวไว้ว่าชั้นที่หกนุ้นเพียงแต่มองหน้ากันยิ้มใส่กันเท่านั้นแล้วเกาะแล้วไปเลยมเป็นอย่างนี้เรื่องกามเมื่อคุณนี่มันละเอียดไปโดยลำดับ เราจะดทันนิฐานดูได้ในโลกอันนี้ก็พอที่จะรู้ได้กรรมคุณของสัตว์อย่างนี้นะมันก็หยาบกว่ามนุษย์อยืมานันแหละไม่ต้องอธิบายให้มากก็พอรู้ได้ลองสังเกตดูว่าตอนนี้กามของมนุษย์นี่ก็มีหยาบกว่ากันละเอียดกว่ากัน ท่านผู้ดีเขามันก็ละเอียดกว่ า, วาคนยากคนที่ยากจนคนแค้นต่างๆเพราะว่าคนยากจนนี่ก็อยู่อย่างทุ ก, กโศมมอะไรก็ไม่ละเอียดประณีตบรรจงเลยมีความทุกข์น้อยมีความทุกข์มากมันเป็นอย่างนี้แหละ โลกสนิวัติอันนี้ต้องพิจารณาดูมันมีหยาบมีละเอียดกลัวกันทีนี้ถ้าบุคคลไปติดอยู่แต่กรามอันมันหยาบหยาบนั่นนั่นแหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปนะทำบาปทำกรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่หยุดไม่ย่อนโมรี่มันก็ร้วนตั้งแต่ อาศัยกรรมคุณหยาบๆนั่นเอยความรักอันไม่มีขอบเขตนั่นเองเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วอย่างนี้ก็ไม่พอใจอยู่แต่ในผัวละเมียเท่านั้นไปเห็นลูกอื่นสวยสด ง, ง, งดงามกลัวผดยากได้ขึ้นมาเด็กก็ดิ้นลนสแสวงหา อื่านีก็เกิดต่างคนต่างก็ชอบใจไปเจอกันเข้ากดเอาแย่งกันมานี่ใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็ตายไปนี่แหละกรรมคุณอย่างงับหยาบมันเป็นไงพระพุทธเจ้าทรงเปรี่ยบไว้เหมือนอย่างโครงกระดูกของสัตว์ที่ เขาช้ำแหลกแล้วยังแต่เนื้อติดอยู่กระดูกนิดนิดหน่อยน่อยพวกสุนัขก็ไปกัดกินอยู่แล้วกวาจะได้กินแต่ละชิ้นนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นต้องไปเคี้ยวกระดูกอันนั้นมันแข็งเนี่ยเอาอยู่งั้นแหละแม้จะเจ็บปวดรุนแรายังไงก็มันหิวอ่ะ มันก็เอากันอยู่ลนะคืนแต่น้ำลายตัวเองลงในทองซึ่งจะได้กินในเนื้อให้มากหน่อยก็ไม่ได้เพราะมันมีเนื้อนี้หน่อยติดอยู่กระดูกนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละมนุษย์เราเมื่อเกิดไปแย่งไปชิงกันเข้าไปอย่างนั้นกลัวจะได้มาชิปหายวายวอดไปแล้ว ฝ่ายหนึ่งออย่างนี้เนี่ยมันก็มีแต่ความทุกข์ละทมะมีแต่เว้นตามสนองไปอย่างนั้นน่ะนะในโลกอื่นที่ผู้มีบุญไปเกิดอยู่มันไม่ได้แย่งชิงกันอย่างนั้นเพราะบุญใครบุญเราแต่งให้อย่างไรมาก็พอใจอยู่ในความสุขสมบัติของตนนั้น มันเป็นอย่างนี้คนผู้ดีทั้งหลายคนผู้มีสติปัญญามีบุญมากเมื่อคนมีบุญมากเท่าไรตัณหาความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นฝ่ายอากุศลต่งางๆมันก็เบาบางไปมันเป็นอย่างนั้นคนที่มีความอยากมากความกำหนยินดีมากนั่น่ะแสดงว่ามีบุญน้อย กิเลสหลายกว่าบุญหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยสู้บุญสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ดังนั้นกิเลสมันจึงครอบงาําจิตใจให้เกิดความอยากได้เหลือล้นพ้นประมาณดังนั้นเมื่อพูดมาถึงตอนนี้นะ่ะก็จะพอจะแลเห็นได้แล้วว่าการสั่งสมบุญเป็นหน้าที่ของเราผู้เบื่อหน่ายต่อกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลาย ไอ้ผู้บื่อนายตอกกิเลสและกองทุกข์แรงไม่สั่งสมบุญกุศลไม่ทาความดีอย่างนี้แล้วจะให้มันพ้นไปเองมันไม่ได้เลยจะให้จิตนี้พ้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจิตใจนี้มันสร้างกิเลสตัณหาให้แก่ตัวเองมานับชาติไม่ทวนแล้ว ไม่ใช่กิเลสตัณหามันเกิดเองจิตตรงนี้แหละสร้างขึ้นนะปรุงแต่งขึ้นมาแล้วยึดถือเอาไว้ดังนั้นน่ะมันจึงติดสอยห้อยตามจิตใจนี้มานับชาติภพไม่ทวนแล้วบางชาติมันไปยึดกิเลสยำหยาบอย่างว่าะมันก็ไปทำบาททำกรรมเข้าไป บาปกรรมนั้นมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์ในชาติต่อไปไปถวิทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานนี่ต้องต้องสาวดูท้นเหตุให้มันได้ไอ้คนนะ่ะมันลืมมันระลึกชาติหนนหลังไม่ได้มันจึงคล้ายๆกับว่าตนเกิดมาในชาตินี้นึกว่าไม่ได้ ไม่ได้สวยผลแห่งบาป ก, กรรมของชั่วอะไรที่ที่เป็นชาติอดีตที่ร่วงมาแล้วนู่นนะพอเกิดมาชาตินี้เห็นดีๆอยู่นี่มีร่างกายก็สมบูรณ์อยู่ไม่เห็นว่ามันวิบัติแปลปวนอะไรที่ไหนนี่แหละคนเรามันมาลืมตัวตรงนี้แหละมันลึกชาติน้หลังไม่ได้ แล้วก็ไม่เชื่อต่อคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกด้วยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องของชีวิตเนี่ยในอดีตก็ทรงสแสดงมาปัจจุบันก็ทรงสแสดงอนาคตก็ทรงสแสดงนี่อันชีวิตจิตใจของบุตรชน ผู้มีกิเลสตัณหาหุ่มห่ออยู่นี้นะมันมีอดีตมีปัจจุบันมันมีอนาคตอยู่อย่างนี้ต้องให้เข้าใจเน้นเสียด้ยท่านพูดสิน้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นท่านไม่มีอดีตไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตเพราะอะไรนะก็เพราะหมายความว่าท่านไม่เกิดอีกนี่มันก็ไม่มีอดีตแลย อืมทีนี้ผู้มีกิเลสแล้วมาเกิดในชาตินี้นะชาติหลังนั่นก็เป็นอดีตชาติอมืมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแบบ น, นี้เมื่อยังลากกิเลสไม่หมดทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างเอากรมดีกรำชั่วมันก็นําไปในอนาคตอนั่นแหละไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในอนาคตต่อไป นี่สาเหตุที่มันจะมีอดีตอนาคตปัจจุบันก็เพราะกิเลสท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านไม่เกิดอีกแล้วมันก็หมดไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันนี่ก็ไม่มีคือว่าไม่ได้ไม่ได้นึกว่าเราเกิดอยู่ที่ด้านที่นี้อย่างนี้นะไม่มีะ คือว่าจิตของท่านมันมีดวงเดียวเท่านั้นเลยหมดสมมติหมดบัญญัตเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเป็นธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไปในอดีตอนาคตอะไรเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนีพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงว่าพระนิพพานนั่นน่ะ ไม่ไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้โลกหน้าอะไรเลยอมไม่ยไ ม, ไม่ไม่มีอยู่ในดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ดวงดาวก็ไม่มีอือยู่ในธาตุดินก็ไม่มีธาตุน้ำก็ไม่มีธาตุไฟก็ไม่มีธาตุลมก็ไม่มีอากาศาธาตุก็ไม่มี วิญญาณธาตุก็ไม่มีพระองค์ปฏิเสธบนนะุพระนิพพานไม่ไม่ได้อยู่ในสภาวะธรรมสภาวะธาตุต่างๆเหล่าเนี้ยอพากันสันนิฐานดูเอาถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็ไม่มีนะสิพระรัตนพานมีอยู่ถ้าไม่มีพระองค์เจ้าไม่ได้ทรงตรัสไว้ว่นานิพพานังปรามังสุ ข, ขัง พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังสูญอย่างพระนิพพานเป็นของสูญอย่างยิ่งแสดงว่าพระนิพพานมีถึงได้ว่ามีความสุขอย่างยิ่งสุขเป็นยอดแห่งความสุขสุขอื่นเสมอด้วยสุขในพระนิพพานไม่มี ที่ว่าพันิพาณเป็นของศูนย์นั่นหมายความว่าศูนย์จากราคะศูนย์จากโมหะศูนย์จากโทสะศูนย์จากมานะสิสิบาประธรรมกรรมัช่ชต่างๆไม่มีเลยดับไปหมดศูนย์จากความเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์กความร้องไห้ลำไล ความเสียใจดีใจต่างๆไม่มีในพระนิพพานก็เพราะเหตุนั้นเน่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทยินดีต่อพระนิพพาน